ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพติยานในวันนี้คงเป็นอุเบกขาบา ร, รมีเช่นเคยก็พูดมาจนถึงอุเบกขาข้อที่หแล้วก็เป็นการศึกษาทำความเข้าใจกับสภาวธรรมคือตัวเบกขานั้นที่จึงเป็นกุศลละธรรม แต่ว่าปิติใจเราที่ก้อนข้างจะวุ่นวายเนี่ยคือเราไปวุ่นวายกับพวกสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มากเดี๋ยวเจ้าทรงแสดงถึงความทุกข์ในชีวิตของเร า, าเอาข้อจริงเนี่ยมันเกิดจากจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเพราะขันทั้งห้าที่จริงมันก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ด้วยเหตุปัจจัยของมัน แล้วเราก็ไปวุ่นกับมันทั้งหน่วยย่อยแล้วก็หน่วยใหญ่วันก่อนได้พูดถึงหน่วยย่อยนะฮะคือสังขารุเบคาเป็นการวางเฉยต่อรูปนามซึ่งมีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเป็นธรรมดาโดยมีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง ในพระสูตรเนี่ยวิเจ้าทรงสอนให้คิดว่าเอวังธ ร, รมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพลนความเป็นอย่างนี้ไปได้วันนี้ที่จริงก็เป็นหน่วยย่อยในชีวิตของเราเหมือนกันเรียกว่าเวทนุเปกขาแปลว่าการวางใจเป็นกลางในเวทนาทั้งหลาย เวทนานั้นเป็นเจตสิกธรรมนะฮะเป็นขันห้าแล้วก็เป็นหนึ่งในในห้าของขันทั้งหลายคือตามปกติแล้วเวทนามันเป็นกระบวนการทางจิตที่เริ่มจากอยายตนะภายในภายนอกมากระทบกันตรงนี้เราเรียกว่าวิญญาณก็มีจักขุวิญญาณเป็นต้นก็เรียกว่าความรู้รูปเป็นต้น พราะจากนั้นก็เป็นสัมผัสคืออายตนาภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยมันกระทบกันเสร็จแล้วเราก็เรียกว่าสัมผัสตรงนั้นสัมผัสตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นเวทนาเวทนาท่านจึงแปลว่าความสเสวยอารมณ์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่กนข้างแปลกเดี๋ท่านแปลเป็นราชาศัพท์สเสวยอารมณ์ก็คือกินอารมณ์หรือเคี้ยวกินอารมณ์แต่ว่ากอ น, นึกไปออกเหมือนกันว่าทําไมท่านแปลเป็นราชาศัพท์ ก็คงจะฟังแล้วน่าเกลียดมั้งคือกินอารมณ์รับประทานอารมณ์ฟังแล้วขวัญยากก็เลยเสวยอารมณ์ทีนี้การเสวยอารมณ์เนี่ยให้ลองสังเกตดูว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราสัมผัสแต่มันอยู่ที่ท่าทีหรือความรู้สึกนึกคิดของเราต่อสิ่งที่สัมผัสมันไม่ใช่ข้อยุติว่าถ้าเห็นรูปอย่างนั้นจะต้องเป็นสุขเห็นรูปอย่างนั้นจะต้องเป็นทุกข์มันไม่ใช่ข้อยุติคือไม่ไม่มีความสาโกล แม้แต่ขนาดหนาวร้อนเนี่ยหนาวร้อนเปรี้ยวหวานมันเค็มเอาก็จริงไม่สา ก, กลนะะบางทีเนี่ยเราลองดูวพวกอาหารเนี่ยมันต้องมีเครื่องปรุงเพราะอะไรเพราะความชอบของคนไม่สา ก, กลเราว่าเปรี้ยวแล้วแต่เข า, าเปรี้ยวน้อยไปหรือเปรี้ยวมากไปเราว่าเค็มแล้วเขาว่าเค็มน้อยไปหรือว่าเค็มมากไปเห็นไหมก็เขาต้องเติมก็ต้องแก้ไขกัน นั้นแสดงว่าเอาเขาจริงพวกนี้ไม่มีจริงมันเป็นเพียงภาพมายาแต่นั้นเองเราก็ไปปรุงมันอย่างคำกรอนที่เราคุ้นๆเขาว่าแปลมาจากฝรั่งนะแต่ก็น่าชมคือจะใครๆจะคิดก็ตามก็ถือว่าน่าชมที่ท่านบอกว่าสองคนยนตตามช่องคนหนึ่งมองเห็นครนตรมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่ราวลาย คนภาพอย่างเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งอาจจะชอบคนหนึ่งอาจจะเกลียดคนหนึ่งอาจจะเฉยเฉยจะชอบนั้นก็อาจจะชอบมากชอบน้อยชอบที่สุดเกลียดมากเกลียดน้อยเกลียดที่สุดเฉยเฉยเฉยจนไม่สนใจเลยก็แล้วแต่แต่สิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นแต่ว่าการที่เราเกิดเป็นไปกำหนดโดยความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเราชอบเราก็เกิดสุข ถ้าเราไม่ชอบเราก็เกิดทุกข์ถ้าเราเฉยๆเวทนามันก็กลางๆเพราะเวทนาจึงแสดงออกไปเยอะเราพบส่วนใหญ่นี้จะพบเวทนาเวทนาสามดูแบบง่ายๆนะดูสามขยายไปก็ดูห้าขยายไปก็ดูหกขยายไปก็ดูเก้าดูเก้าแล้วก็ดูสิบแปดก็เท่าไรล่ะสิบแปดก็ดูเป็นสามสิบหกสิ ตาบกก็ดูเป็นร้อยแปดกันแล้วแต่ขยายคือเวท น, นานั้นให้เราสังเกตว่าเอาข้อจรเนี่ยบางทีใจเราเป็นเหนี่ยวนึกขึ้นมามันไม่จะสัมผัสขนาดนั้นแต่มันเกิดจากใจเป็นเหนียวนึกเป็นเหนี่ยวนึกถึงเรื่องที่เราเคยสัมผัสมาในอดีตแล้วก็ได้รับสุขรับทุกข์มาแล้วในอดีตให้เราสังเกตว่าคนแก่นั้นจะย้อนเข้าไปสู่อดีต แล้วก็เลือกเล่าเฉพาะที่ดีดนะฮะที่ตัวเองชอบคนหนุ่มสาวนั้นยังไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตก็จะไขา่คว้าอนาคตแล้วก็ขวัญหวานมีจินตนาการก็เป็นสุขจากฝันหวานแม้แต่คนที่แทงหวยเล่นสลากินแบงนะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือสุขเวทนามันเกิดแต่ประรบอารมณ์ในอนาคตโดยคาดหวังเอา มันทั้งหมดมันเป็นมายาปรุงแต่งเอาแต่คนบางคนมันก็เพลิดเพลิพนกับอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็ได้สุขในปัจจุบันที่นิเกณนกําหนดให้เป็นสุขมันก็เอานิยายไม่ได้นะคนบางคนรู้สึกว่านั่งสมาธิเป็นสุขบางคนก็ฟังเทศเป็นสุขบางคนก็เล่นภพยเป็นสุขบางทีก็ดีเล่นสนุกเกอร์เป็นสุขบางทีก็ดูการอะและการตลกเป็นสุขเอานิยายไม่ได้ไง น, นี่คือแสดงให้เห็นถึงว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราหาเรื่องเองเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงวางใจเป็นกลางเพราะเวทนาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วเราก็ไปกำหนดมันเพราะจริงๆมันก็สัพท์ตัวว่าเวทนามันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปเช่นเดียวกันเวลานะฮะมันเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปมันมีอะไรเราไป อ ะ, ะถ้ า, าดีก็เรียกว่าปลุกผีขึ้นมาเฉยๆถ้า เ, เรื่องอนโนโคตก็สร้างขึ้นมาเฉยๆถ้า เ, เรื่องปัจจุบันก็ไปหลงยึดติดเอาเฉยๆการมองเวทนาเหล่านี้ก็ต้องมองให้เห็นถึงลักษณะจริงๆเราจะเห็นว่าถ้าเวทนาเป็น เป็นสมนะฮะเขเรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาอนทุกกรมสุขเวทนาก็แสดงว่าสุขก็หมายความมารอ ก, กําหนดว่าไอา้สิ่งนั้นดีสิ่งนี้น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจได้เห็นได้ยินได้ดมได้ดิ้มได้จับต้องเราก็เป็นสุขแต่ก็บางทีสิ่งนั้นแหละเราไม่ชอบเราไม่ชอบก็ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการฟังไม่ต้องการดมไม่ต้องการลิ้มไม่ต้องการชิมไม่ต้องการจับต้องพอต้องเห็น ต้องเห็นเป็นต้นข้าวก็เกิดทุกข์เลยดังนั้นพอเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงเรื่องสารพัดเข้ามาภายในใจเช่นสมมติว่าเกิดสุขเวทนามันก็เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่กระทบจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็น ร, อร้อนนองแข็งตลอดทึ้งเดียวนึกถึงอารมณ์ก็ได้นะะนี่ก็คือลักษณะว่าจะมีการกระทบเกิดมาก่อน พอกระทบแล้วมันจะไปเพิ่มพูนพวกสัมยุต ธ, ธรรมนะพอบางทีก็เป็นสุขเออคนนั้นก็ดีอย่งงางนั้นดีอย่งงางนั้นจนสุขได้เรื่อยๆปรุงขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็รู้สึกสําราญมีความสุขมีความสําราญทั้งกายทั้งใจแล้วก็มีประสาท ต, ต่างๆนะฮะเป็นตัวเป็นเหตุกล้าให้เกิด ประสาทตประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายนะมันมากระทบก่อนแล้วก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราแป่งเราเต้นไปตามเขาหมายความว่าเราปลูงให้เป็นสุขเราก็สุขกับเขาปลูกให้ทุกข์ก็ทุกข์กับเขาปลูกให้เฉยเฉยก็เฉยเแล้วเวลาเราก็สูญเสียไปเพราะเรื่องเหล่านั้น ตลทาทีที่ท่านสอนเนี่ยคือทำใจเฉยๆเวทนาก็สักแต่ ว, ว่าเวทนานั้นมองแนวหนึ่งนะครับมองแนวหนึ่งก็คือเวทนาก็สักแบสักแต่ว่าเวทนาอดีตมันก็เกิดมาแล้วก็ดับไปแล้วอนาคตแปล ว, ว่ายังไม่มาก็คือไม่มาพอมาถึงก็เป็นปัจจุบันปัจจุบันก็เกิดดับกระดับกระดับก็ถยอยกันไปเอาก็จริงมันก็หานิยายอะไรไม่ได้ แล้วก็ทำใจให้กลางๆคืออย่าถึงยินดีก็เท่านั้นแหละยินร้ายก็เท่านั้นเนี่ยหมายความวาชอบก็เท่านั้นเนี่ยชังก็เท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าชอบแล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มกิเลส ข, ขึ้นแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นนะฮะเราสังเกตถ้ากิเลสเพิ่มทุกข์ก็เพิ่มทีนี้ถ้าไม่ชอบไอ้กิเลสสายโทสะก็เกิดขึ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้ น, ก, นก็เรียกว่าหาเรื่องหาเรื่องในตัวเองเดือดร้อน มันทำนองอย่างที่โบราณนั้นพูดนะแบ่งท้าวหาสิ้นหรือฝอยหาตะเข็บโมนลายรถฟ้าหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนถือก็เพลิงทวนลมอะไรเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเราหลบได้เราไม่ทำได้แต่เราก็หาเรื่องให้เดือดร้อนเองเพราะฉะนั้น อ, อย่างในข่าวคราวในงานต่างๆให้เองสังเกตนะ ในงานบางทีเนี่ยมีคนตายเนี่ยแต่ว่าหน้าตาของคนก็ไม่ได้เป็นอย่างทุกคนหรอกบางคนก็รู้สึกเกิดเป็นสุขที่เขาได้พ้นทุกข์ไปเพระตอนก็อยู่เนี่ยเขาทรมานเหลือเกินพ้นทุกข์ไปได้ก็อนุโมทนากับเขาลึกๆแจะไปพูดไม่ได้นะฮะแสดงความยินดีเนี่ยที่จริงเราก็ดีใจที่เขาตายอย่างส ง, งบ หรือก็ตายยังมีสติเนี่ยหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสก็ตายไปเราก็รู้สึกพอใจรู้สึกยินดีรู้สึกสบายที่ได้พบได้เห็นในลักษณะอย่างนั้นเรืองการมองเวทนาเขากร็รู้เท่าทันเวทนาอย่าไปคิดว่าเวทนานั้นเป็นของเราหรือเราเป็นเวทนาหรือเวทนานั้นมีอยู่ในเราหรือเรามีอยู่ในเวทนา ที่จริงเวทนาไม่เป็นการปรุงขึ้นมาของเราเองปรุงให้สุกก็ได้ทุกข์ก็ได้ตอนนี้ปรุงให้เฉยๆมันก็เกิดแต่ทำใจเฉยๆไม่ให้เกิดความยินดียินไร้เพึงสังเกตว่ามันเป็นผลของจิตเราไปกาหนดเราปิดกั้นได้ตั้งแต่เขายังไม่เกิดอะไรขึ้น หรือไม่ใส่ใจไม่สนใจแต่เอาหละตอนนี้มันก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นแล้วก็ทำใจสักแต่ว่าเวทนาแล้วก็เพราะใจมันวิกงมันสายก็ต้องมองย้อนไปสู่เวทนาในอดีตเวทนาในอนาคตเวทนาในปัจจุบันก็เห็นว่ามันสักแต่ว่าเวทนาแบบที่ทรงสอนไว้ในอนัตตลกันสูตรว่า ตอนสรุปนะฮะตอนสุดท้ายที่สรงสรุปเป็นใจความโดยสรุปว่าพิสูจทั้งหลายเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประนีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีเวทนาน้ำกระสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเราจริงๆไม่ได้เป็นตัวตนก็เราจริงๆ ข้อนี้เธอทั้งหลายประเนด้วยปัญญาชอบตามความจริงแล้วอย่างนี้ทีนี้ถ้าถ้าเราเกิดรู้เท่าทันขึ้นมาอย่างนั้นวันเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะคิดยังไงก็ได้ยกตัวอย่างนะพระเถเรรรูปหนึ่งชื่อทันปุณณะสร้างมากราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปที่เมืองสุนาปรันตะเขาว่ากันว่าพม่าก็ว่านะ เป็นเมืองสะเทิมในปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยบางทีก็กเอาตัวเองก็ไปเกี่ยวข้องพระเจ้าเยอะเลยนะเขาบอกสุนาปรันตะเนี่ยมันก็คือเมืองอุการะชนบทอยู่ที่เมืองอุการะชนบทที่ตาปุสะพันลิกะไปข้าวไปถวายข้าวสตุกก้อนสตุกผงแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เล่าเป็นตูเป็นตะ ด, ดีมันก็ขึ้นสรุปอย่างเงี้ว่า พระเจ้าก็รับสั่งถามว่าเธอจะไปอยู่ได้หรือในสถานที่นั้นสร้างสถานการณ์ว่าทุกเวทนามันเกิดแล้วก็เข้มข้นเกินไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเธอจะมีท่าทีต่อทุกเวทนาเหล่านั้นอย่างไงก็รับสั่งว่าที่นั้นคนดุนะปุณนะตามตำนานว่าท่านเป็นพ่อค้าในเมืองนั้นมาค้าขายแล้วก็ เกิดสนใจกระบวดก็ให้เพื่อนกลับไปก่อนเลยเห็นว่าถ้าไปที่นั้นมันจะช่วยอะไรใครใดเยอะเลยก็ไปรับสั่งถามว่าถ้าไปถึงถ้าเข า, ด, าเ ด, ด่าเนี่ยธอคิดยังไงด่าเนี่ยมันก็เกิดไม่ชอบไม่ชอบเกิดทุกเวทนานะทีนี้ถ้าเราคิดแล้วเราก็ปิดกันมันไม่ได้เกิดไม่ชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดสุขเกิดทุกข์มันเกิดกลาง พระพุทธนาทันบอกว่าถ้าเขาด่าข้าพระองค์ก็คิดว่าก็ดีกว่าเขากว้างปาด้วยก้อนดินเห็นไหมฮะใจเฉยเลยไม่สุขไม่ทุขแล้วก็รับสั่งถามว่าเออถ้าเขาปาด้วยก้อนดินเนี่ยเธอจะคิดยังไงก็คิดว่าดีกว่าเขาตีโดยไม่พรองแล้วถ้าเขาตีโดยไม่พรองเนี่ยเธอจะคิดยังไงก็ดีกว่าเขาประหารด้วยศัตรา คำว่าประหารในทีนี้ไม่ถึงฆ่านะฮะแล้วการทําให้บาดเจ็บทีนี้ถ้าเขาประหารด้วยศัตราในที่เธอจะคิดยังไงก็คิดว่าก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายถ้าสั่งใหมถามว่าถ้าเขาฆ่าให้ตายล่ะเธอคิดยังไงก็ดีกว่าฆ่าตัวเองหรือคนบางคนก็เบื่อหน่ายชีวิตอยากจะตายแล้วก็ไม่มีใครฆ่าให้ก็ต้องฆ่าตัวเองนี่คนอื่นไม่ช่วยฆ่าให้ก็เลย ก็สบายไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งสาธุสาธุปุณะเธอไปอยู่ได้เห็นไหมทั้งหมดในท่านเฉยหมดเลยท่านไม่มีทั้งความยินดียินร้ายเพราะว่ามันมีเวทนาที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นการกระทําที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นแต่เขาไม่ทำเขาก็ทําจุดหนึ่งมันก็มองว่าเออมันก็ยังมีที่ยิ่งกว่าแต่เขาไม่ทาอย่างหลวงพอ่อหลวงพ่อองค์หนึ่ง ไม่รู้อยู่จังหวัดไหนนะเรื่องชื่อหลวงพ่อดีหลวงพ่อทองดีบ้างหลวงพ่อดีบ้างนะฮะแต่จังหวัดอุดอรเนี่ยก็มีวัดเรือศึกวัดประจิมว่าดนะฮะหลวงพ่อดีเนาะดีเนาะทีนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อดีหลวงพ่อทองดีคือเท่านมองอะไรดีหมดเลยนั่นก็หมายความว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็เฉยเฉยหมดยินดีที่จะรับท่างนั้นเรื่องมันเยอะ ยกตัวอย่างนะ้ฟังต้องสามเรื่องนะมันทาตชีเนี่ยสำคัญที่สุดท่านออกไปนอกวัดที่วัดเนี่ยก็มีแม่ชีกแก่แล้วตอนเย็นก็จะชงกาแฟโกโก้เนี่ยถวายพระสลงพ่อท่านออกไปนอกวัดก็ลกลับมาพระนเนรก็ลงคันนั่งนั่งเป็นแถวนะแม่ชีตาแกไม่ค่อยดีไอ้ขวด ขวดใส่น้ำตาลแก่ขวดใส่เกลือที่มันอยู่ใกล้กันเฮ้ยแกก็หยิบสุดขวดใส่เกลือนึกว่าน้ำตาลก็ชงกาแฟใส่เกลือถวายหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อประหล่อเขาประเคนอ่ะพอเย็นอุ่นๆก็ดวดพรวดเดียวเลยข้าวไปเต็มที่เลยพระเนงข้างหลังนี่มันยังรอนะอยังไม่ยังไม่ได้ไม่ได้ดื่มท่านก็บอกว่าเออ ก็ดีเหมือนกันและกินกาแฟใส่น้ําตาลมานานแล้วกินกาแฟใส่เกลือใช่บ้างก็ดีเหมือนกันไม่ต้องโกรธอะไรแล้วก็บริเวณทางไปกุฏิของท่านในรกก็มีโยงก็มาบอกว่าลุงพ่อมาให้เด็กมันทางญ่าสช่บ้างงูงเยี้ยวเขียวขอมันจะกัดเอาสันนิษมันรกท่านบอกว่ารกก็ดีเหมือนกันในสัตว์มันได้อยู่อาศัยบ้างอย่าโยมก็เห็นว่าชักจะเกินไปเดี๋ยวงูจะกัดเอาก็เลยมาถางพื้นที่ได้ดี ท่นบอกเออถังก็ดีเหมือนกันเนี่ยเดินไปมาสะดวกหน่อยหลังค้าท่านรั่วเดง๋ก็บอกว่าลุงพ่อแม้เด็กมุงหลังค้าจะบ้ า, บางท่านบอกว่าหลังค้ารั่วก็ดีเหมืนนอนกันอะนอนกลางคืนได้ดูดาวไปด้วยชาวบ้านก็กลัวลุงพ่อจะเป็นหวัดตายซะก่อนก็เลยมามุงหลังค้าให้ท่านบอกเออมุงก็ดีเหมือนกันเวลาฝนตกไม่ต้องคอยหลบ คือจ ะ, จะมองอีกมุมหนึ่งตลอดแล้วหาประโยชน์ได้ตลอดจนมาถึงคราวหนึ่งเนี่ยเรื่องก่อนข้างแรงคือหล้านชายก้อนท่านที่ท่านเลี้ยงมาแล้วก็ได้บวชเรียนต่อมามันก็สึกออกไปมันมันไปคบเพื่อนไม่ดีแล้วเพื่อนชวนให้ไปดูต้นทางที่จะไปปล้นอะไรอั น, นี้ก่อนึกถึงหลวงพ่อก็มาสอบถามลงพ่อหลวงพ่ออารามที่ท่านพูดติดปากอ่ะ ล้านชายมาปรึกษาเรื่องจะไปปล้นท่านบอกว่าเออปล้นก็ดีเหมือนกันนะได้รู้รสชาติคุกแต่ทางสิบ้างที่จริงท่านต่อไปนะท่นต่อข้อความไอ้ล้านชายมันเกิดสับสนก็ไปดูต้นทางก็จริงแล้วในสุดก็ถูกจับได้ก็โกรธก็ไปคิดว่าหลวงพ่อสนับสนุนแกตั้งแต่ที่หลวงพ่อเตือนแล้วนะเลยก็ทีหลังก็หนีมาม า, มาหลวงพ่อกลางคืนเลยก็จะฆ่าหลวงพ่อ ถ้าไม่แกติดคุกหลวงพ่อเออว่าข่าฆ่าก็ดีเหมือนกันนะี่ะข่าก็อยู่มานานแล้วตายสักทีก็ดีเหมือนกันพูดกันคุยกันเลลุงกับหลานเนี่ยลวงลุงลงกับหลาน ค, คุยกันไปคึกัมาก็เด็กมันก็บอกเฮ้ยผมไม่ฆ่าหลวงพ่อหรอกฆ่าก็บาดเปล่าผมก็ติดคุกเพิ่มขึ้นเออไม่ฆ่าฆากว่านี้เหมือนกันจะได้ช่วยอยู่เฝ้าวัดญาติโยมเขาหน่อยเดี๋ยวจะไม่มีพระเฝ้าวัดให้ คือมันมันก็หาประโยชน์ได้หมดมันไม่ทุกอะมันเฉยหมดเลยวางใจเป็นกลางในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งดูแล้วมันน่าจะทุกแต่ก็ไม่ทุกเมื่อไม่ทุกมันก็จิตใจก็สงบเพราะถ้าทุกมันจะดิ้นหาสุขแล้วถ้าต้องทุกมันก็โศกต่อเห็นไหมสุขมันก็ดิ้นหาสุขพอไม่ได้สุข ก, ก็โศก เเวทานาเนี่ยมันอย่าลืมเวทนาเนี่ยอยู่ในกลุ่มทุกข์ขันนะฮะมันเป็นทุกข์โดยสภาพของมันเพราะว่าแม้จะสุขมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงทุกข์มันก็เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าคําว่าทุกข์เนี่ยคือสิ่งที่คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นลงท่านั้นเองก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาธรรมชาติของมันดังนั้นพอทําความรู้จักกับมันก็ถือว่าเรื่องธรรมดา เวลาประสบ ป, ปัญหาเป็นทุกข์ก็ยังมียิ่งกว่าในขณะที่เราเดือดร้อนในขณะที่เราอดข้าวในขณะที่เรามีปัญหาเนี่ยมันก็มีคนมีปัญหามากกว่าอย่างใกล้ๆกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเทียบกับสงครามโลก ค, ครั้งที่สองแลวปัญหาไกลกนะก็ตอนนี้ที่จริงมันไม่เคยรู้สึกกันเท่าไหร่แม้แต่ชาวบ้านในชนบทที่ห่างไกล แต่คนขยันทำมาหากินหน่อยมันก็อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่สถานะอยู่ไม่ถึงกระโดดร้อนุดแรงอะไรมากแบบสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าคนไม่ได้คิดในแนวเทียบเคียงคือมองในแนวดีเสมอไปมันเข้าถึงเมื่อเกิดความสับสนแล้วเพราะจริงจริงสิ่งทั้งหลายนั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุตปัจจัยปัจจัยดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้ แล่ว่าปัญหาสาคัญว่าเราคิดยังไงไม่ใช่ว่ามันเป็นยังไงคือมันต้องเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ไปเดือดร้อนเราทำใจเป็นกลางคือสงบใจจากก็เรียกว่าอารมณ์ที่เป็นขั้นสุดต่อความสงบเสียได้มันก็ทำใจเป็นกลางเวลาเกิดเวทนาขึ้นมาจะเป็นสุกตามเป็นทุขกข์ตราไม่จะทุกข์ไม่จะสุกตามหรือแม้แต่บางทีเราพูดถึงเวทนาห้านะ เวทนาที่จริงก็คือสุกนั่นเองแต่ว่าเน้น ส, กกสกกุกกายกับสุกใจทุกข์ก็มีทุกข์กายกับทุกข์ใจแล้วก็ข้อที่ห้าเรียกอุเบกขาอุเบกขาเวทนาคือมันไม่แสดงเป็นสุกเป็นทุกข์แต่จริงก็คือใจที่กำหนดว่ามไม่สุกไม่ทุกข์นั่นเองคือกำหนดเฉยๆกำหนดเป็นสภาวธรรม ในแนวทุกก็มีทุกที่ยิ่งกว่าแนวสุขก็มีสุขยิ่งกว่าก็ไม่ต้องไปดีใจอะไรมันแต่ที่สำคัญย่างยิ่งก็คือมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ดังนั้นท่าทีต่อเวทนาซึ่งเกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้มันก็ก่อให้เกิดความสงบเป็นอุบเบกขาแล้วปริมาณของปัญญาก็พุ่มขึ้นเพราะงั้นอาจจะเป็น ปัจจัยในการยกระดับจิตให้รู้แจ้งในเวทนาจนถ่ายถอนตนามานาทิติลงไปได้มันเราจะพบว่าพระสูตรบางพระสูตรนะเช่นเช่นที่แสดงแก่ภาษาริบุตรที่จริงก็แสดงแก่ทีฆนักขนะฮะก็เวทนาล้วนๆอนะเวทนาบริการสูตรก็พูดเรื่องเวทนาแล้วก็ศึกษาเรื่องเวทนาแก่ความสวยอารมณ์สุกตามทุกตามไม่ทุกไม่สุกตามก็ให้มันสักแต่ว่าเวทนาไม่ได้ยึดมันหรือมันมัน ความสงบก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปในจิตใจปัญญาก็จะผองใสามากยิ่งขึ้นโดยดำๆงดำัต้งฟังทหลายแต่หลรงรู่พธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอองามไผ่บูรในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี